ละครมิทยุอิงพุทธประวัติเพื่อเผยแผ่และอนุรักษ์บวรพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนสืบไปเรื่องรับพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวีปบทละครมิทยุโดยวรการเทืองสักนิบา Ram Saran Garicha. วามเดิมตอนที่แล้วพระนางพิมพาเสียพระไทยจึงเรื่องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีๆและเลือกเสวยอาหารอันโอชาเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้พระสวามีสมรกขรรมบำเพ็ญทุกรากริยาเป็นเวลานานจนเหล่าเทพยาดาเป็นห่วงกรีบจะรากสขารก่อนตรัสรู้พระินจึมาดีพินสามสายถวายเป็นปริศนาธรรมทำให้สมรักขรรมสรงคิดได้ว่าควรใช้ทางสายกลา เกิดความสว่าในดุญจิตและพระบราการเปล่งรัศมีคุณน้านางทาสีของสุชาดามาเห็นก็คิดว่าเป็นเทพรักที่กำลังตามหาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวีตอนที่ยี่สิบได้นะ ชาดาเจ้าคะฉันอยู่นี่จกนะักรุณะวินงนาเริ่ดท่าทางตื่นเต้นเข้ามาอย่างนี้สแสดงว่าเรื่องที่ฉันให้ไปทำสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้าคะ่ะปุณณะเข้าไปในป่าแล้วพบเทพ ร, รักษ์นั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไงว่าท่านผู้นั้นเป็นเทพ ร, รักล่ะ อาจจะเป็นใครมานั่งเล่นเพื่อหาความนุ่มเย็นจากเงาไม้ก็ได้นะแค่คนธรรมดาไม่น่าจะมีรัศมีสว่างจ้าออกมาจัดกาแนะเจ้าคะนายหญิงรับรองว่าเป็นเทพ ร, รักหรือน่าจะเป็นเทพ ย, ายดาองใดองหนึ่งจริงๆเจ้าคะ่ะถ้าเป็นจริงอย่างที่เจ้าบอกนะคุณนะฉันจะให้เจ้าเลิกเป็นนางทาสีนายหญิงจะไล่คุณ น, นะออกจากบ้านนี้หรือเจ้าคะแล้วุณ น, นะจะไปอยู่กับใครที่ไหน จะโวยวายไปทําไมกันที่ว่าฉันจะให้เจ้าเลิกเป็นนางทาสีแต่จะมอบตําแหน่งบุตรีหรือลูกสาวให้นะจะเอาไหมเอาเถค่ะเอาเถค่ะงั้นจะช้าอยู่ทําไมมาช่วยฉันหุงข้าวมธุูปายาดเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วจะได้รีบนําไปถวายท่านเทพรักษ์ทันทีข้ามธุปายาดเนี่ยเป็นยังไงหรือเจ้าค่ะนาย ไม่เปรนหอมจริงๆนะนีนน่ลูกทําอะไรนะสุชาดาลูกหุงข้าวมาทุปายาเจ้าคาท่านพ่ อ, อตั้งใจจะไปถวายพระแก้บนเทพลักษณ์ในป่าข้ามมาทุปายะทํำยังไรเนี๋ยสุชาดาถึงได้ไมีกลิีนหอมหนะ้ากินอย่างนี้ปุณณรูดีเจ้าค่นายท่านเสนานี้นายหญิงเอาข้าวหอมใหม่หุงกับน้ํานมโคที่ได้จากการเลี้ยงแม่โคลพันตัวในป่าเชเอม แล้วรีดนมมาให้แม่โค500ตัวดื่มกินแล้วก็รีดนมแม่โค500ตัวนั้นมาให้แม่โค250ตัวดื่มกินวนไปเช่นนี้จนเหลือแม่โค8ตัวรีดเอานมแม่โคทั้ง8ที่ข้นและหวานมาหุงข้าวในหม้อนี้ <c oughs> <c oughs> ทําเป็นรู้ดีชนะปุณ <c oughs> <c oughs> นะนายหญิงเพิ่งบอกให้ฟังเจ้าค่ะนายท่านมันน้ำนมเดือดจนจะลดออกมาจะบหมข้าวอยู่แล้วละ่ะ เอ๊ะแต่ไม่ยังกะล้นออกมานอกจากไหลเวียนขวาดังทักสินนาวัดเออจัดว่าเป็นข้ามงคนจริงๆนะเนี่ยสุชาดาเอ้ยได้เวลาเช็ดนำข้าวและดงข้าวแล้วนะปุญ น, นะแล้วค่ะนายหญิงแม่หอมจริงๆนะเนี่ย อ, อ, อเราวังให้ดีนะปุณ น, นะวจาจำ น, นาแทบจะบุดลงไปในหม้อข้าวอยู่แล้วละ <laughs> มาใส่ข้าวมาทุบปลายาแล้วเจ้าค่ะอย่าลืมใช้ถาดทองคํานะปุณนะทําไมต้องเป็นถาดทองคําราคาแพงด้วยหละย่ะเจ้าคะพอข้าวมาทุบปลายานั้นมีค่าจึงควรคู่กับถาดทองคําที่มีราคาและเรายังจะไปถวายเทพารักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ลองคิดดูสิหากเป็นถาดไม้หรือภาชนะที่น้ําซึมลงไปได้ก็อาจจะดูดความหอมหวานจากข้าวให้ด้อยน้อยลงไป เข้าใจหรือยังจับคุณนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนายหญิงแต่จริงๆปั้นคำมาถุกปายาจากมอได้เต็มถาดพอดีแสดงว่าเราจะได้บุญกันอย่างเต็มที่เจ้าถือถาดข้าวพาเราไปหาท่านเทพารักษ์อย่างนี้เลยปุณนะเจ้าค่ะนายหญิงถ้าเจ้ามั่นใจว่าฉันจะพบเทพารักษ์จริงแล้วก็จะเรียกใหม่ก็ได้นะเรียกอะไรอ๋อนายเจ้าขาท่นแม่ ช่างหอมยุยยวนใจชวนให้น้ำลายไหลเช่นนี้อมจเยินงสิวปาป่าคำจมูกฟุตฟิกเลยหน้าคือสูดดมกลิ่นหอมที่ลอยมาตามลมมันไม่งามหรอกนะใครเห็นเขาจะว่าเหมือนตัวอะไรใครนินทาข้าแน่จริงพูดมาดังๆสิข้ารู้ที่มาของกลิ่นหอมนี้แล้วลท่านกรุธัญญะนั่นไงนางเด็กปุณนะทาสีที่มาเมื่อเช้านี้ ชื่อถาดอาหารนำหน้าหญิงสาวที่งดงามราวกับกาลยานีเบาซีอยู่วะปักผูกนางจะมาถึงที่นี่แล้วลนะ่ะนักปวดทั้งห้านี่เหลือกุนนะคือเทพารับที่เจ้าว่าน่ะมิใช่นี่เจ้าค่ะแต่เป็นท่านที่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรนั่นนั้นเราไปหาท่านกันดีกว่าอช้าก่อนน้องหญิงผู้เจริญผูกนางกําลังจะไปทําอะไรที่ไหน พวดิฉันกำลังจะนำข้าวมาทุก ป, ปายาตไปถวายท่านเทพรักษ์ที่ได้ตอนนี้โคทัพต้นนั้นเจ้าค่ะนั่นไม่ใช่เทวพรักษ์หรอกนะแต่เป็นนักบวชเหมือนพวกอาตมาแล้วท่านก็ไม่ยินดีจะรับอาหารของใครไม่ว่าจะลดเลิกแค่เพียงไหนแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าคะ่ะน้องหญิงจะเอาข้าอันมีกลิ่นหอมนี้มาให้แก่พวกเราก็ได้นะไม่เป็นไรเจ้าค่ะดิฉันจะไปหาท่านผู้นั้นก่อน เพือจะได้เป็นเสียความตั้งใจไปกัะเถอะคุณนะเจ้าค่ะท่านแม่ว้าแย่อดจนได้ท่านว่าป่าเนี่ยไม่น่าจะทำท่าลำโม่จนเกินไปนะสินางทั้งสองจะพากันเดินหนีไปไม่เป็นไรท่านโกธัญญาพอท่านส ม, มณโคโดมไม่รับพวกนางก็ต้องกลับมาหาพวกเราอยู่ดียังไงซะข่าวอันหอมหววในถาดนี้ ต้องลงท้องพวกเราแน่ๆจริงไหม ราวกับมีรัศมีออกจากร่างกายดังที่เจ้าว่าน้องหญิงทั้งสองมาหาอัตมาด้วยเหตุอันใดดิฉันชื่อสุชาดาส่วนนี้เป็นธิดาบุญธรรมชื่อบุญนะดิฉันได้บนบานกับเทวดาอารักและได้สงประสงนั้นจึงได้หุงข้าวมาทุกปลายาตมาถวายเพื่อแก้บนกับท่านเจ้าค่ะอัตมาไม่ใช่เทวดาหรืออารัก แต่เป็นนักบวชธรรมดานามสมณโคดมแต่ท่านก็มีคุณลักษณะและจริยวัฒรเหมาะสมที่ดิฉันจัดถวายข้าวนี้เจ้าค่ะดิฉันขอถวายข้าวมาทุปายญาติแด่ท่านอาตมะยินดีรับไว้งั้นถวายนะเจ้าคะ่ะท่านมาบำเพ็ญเพียรที่นี่เพราะมีจุดประสงค์อันใดหรือเจ้าคะอย่าถามซอกแซกท่านซี่คุณนะไม่เป็นไร อาตมาสแสวงหาความหลุดพ้นได้เพียรทรมานตนด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ว่ายังไม่อาจพบกับความสําเร็จได้จงรอรับถาดอันมีค่าของเธอคืนไปถาดทองคําถึงจะมีค่าแต่ว่ายังเทียบกับความพยายามของท่านไม่ได้หรอกเจ้าค่ะดิฉันขอถวายข้ามาทุกปา ย, ยาดพร้อมถาดนี้บางที ถ้าข้าวของดิฉันพอมีส่วนในการทำให้ท่านสาเร็จได้ดิฉันก็จะได้รับผลบุญมากมายและขอให้ท่านสมปทนานาเจ้าคะอัตมาขออนุโมทนากาบลาท่านแล้วไปกันได้แล้วบุญนะคุญนะกาบลาท่านสมณะโคโดมเจ้าคะ่ะ ท่านมหาสมณะผวกขบัตเจ้าอยากจะรู้ว่าท่านจะทําอย่างไรกับข้าวทีนานทั้งสองน้ำมาถวายเมื่อกี้นี้อาตามะนับข้าวมัทุปปายาตแล้วมี49ก้อนพอดีจึงจะแบ่งเป็นเจดกองกองละเจกอ้อนเพื่อที่จะกินได้เจวันแต่ท่านกําลังทรมานกายด้วยการไมรับอาหารนี่นาะถูกแล้วกนธัญญาแต่บัดนี้อาตามะได้ค้นพบว่าการดับทุกข์ด้วยทุกข์นั้น ไม่มีวันสำเร็จได้มีแต่จะเพิ่มทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นไปนี่พวกท่านพากันสิกิดข้าทําไมเนี่ยขขาจาว่าเราเออกไปปรึก ษ, ษากันก่อนดีกว่าทัานโกนทัญญะนั่นแสินะพู้กันตรงเนี้ยไม่เหมาะเท่าไรใช่ไหมตาว่าปะข้าว่าปล่อยให้ส ม, มณโคโดมกินอาหารของท่านไปอืมก็ได้อา้าวนั่นพเราออก ตรงนี้ก็ได้ข้า พ, พเจ้าว่าเราออกมาไกลกันพอแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันนะพัทยะเอาละพวกท่านทั้งหลายไม่เปนก็ว่ามาเอาท่านก่อนมปะขอบคุณมากท่านโกทัญญะคือข้ารู้สึกผิดหวังในตัวท่านสมณะโคโดมนะ่ะคิดว่าท่านยังคงยึดมั่นในการบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารจนอดได้นานกว่าพวกเราทั้งหลายและไม่รับการถวายข้ามาทปายา จ, จากหญิงทั้งสองคนนั้น แต่ท่านก็รับมาทำให้พวกข้าคิดว่าอาจจะเพื่อแบ่งปันให้พวกเราทั้งหลายข้าก็คิดเหมือนท่านมหานามะเฮ้แต่ที่ไหนได้สมณะโคดมกลับเก็บเอาไว้เพื่อบริโภคเองซะเนี่ยนั่นนะสิอาจาชัชีนึกไม่ถึงเลยว่าสมณะโคดมจะกลับกลายเป็นผู้มกักมากในการบริโภคเช่นนี้นั้นเราก็อยู่ต่อไปก็ไรประโยชน์แล้วนะสิทนโกนทันญะ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเราเราเปัญจวคีหันมีความคิดเห็นเป็นประการใดอืมก็ขอบใจพัิธุยาและกทกท่านทุกคนที่ยังฟังข้านะและขออภัยที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยเสียเวลาปล่าเชนนี้บางทีอาจเป็นเพราะข้าเชื่อในคำพยากรณ์มากเกินไปว่าเจ้าชายสิทธัตถารู้ว่าสมณัคนดมในเวลานี้มีหนทางที่จะเป็นบรมศาสตราได้ ข้าขอเสนอให้พวกเราไปหาผู้นำคนใหม่ในการสแสวงหาความหลุดพ้นดีกว่าอาทุกคนเห็นด้วยกับการเสนอของท่านอัสชิไหมใครเห็นด้วยข้าจะไปไปไปงั้นข้าจะพาพวกท่านไปหาสถานบำเพ็ญภาวนาที่แคว้นโกศลไปให้พ้นจากสมณคุณดมตั้งแต่เวลานี้ พวกปัญจาวะคีนี่เช่าเป็นผู้ที่คบไม่ได้ในเวลาอันสําคัญกลับมาทิ้งท่านสมณโคโดมไปข้พาพเจ้าพูดถูกไหมท่านเทามหาพรจะว้าถูกก็ได้ท่านเทพเทวาแต่ข้าว่าไปซะได้คนดีเหมือนกันนะเหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนี้ละ่ะเพราะท่านสมณโคโดมจะได้มาเป็นเพียงต่เพียผู้เดียวไม่ต้องมีผู้ใดมาข้องเกี่ยวและเป็นกานปรปลีกวิเวกอย่างเต็มที่น่ะสิองอัมริน แต่ข้าพเจ้าก็ยังอดแปลกใจไม่ได้ที่ท่านสมณะโคโดมไม่ชี้แจงแถลงไขให้เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งหลายมีความเข้าใจไม่น่าทำให้เกิดความสงสัยและคิดอะไรผิดๆอย่างนี้เจริญพรท่านเท้าสักกะเทวราชท่านเท้าหมหาพรมและเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายที่อัตตมะยังไม่ได้อธิบาย เพราะคำหนึ่งถึงอุ ป, ปมาด้วยไม้สามข้อที่เปรียบได้กับสมณพราหมณ์สามจำพวกพวกไหนบ้างด้วยท่านโปรดวิสัชนาแก่พวกข้าพเจ้าได้หรือไม่เพื่อพวกข้าพเจ้าจะได้รู้ไว้ว่าตนเองเป็นไม้ในข้อไหนได้สิท่านเทพเปียดาทั้งหลายข้อแรกนั้นคือไม้สดชุ่มด้วยยางอันเขาแช่น้ําไว้ ไม่อาจทำให้ไฟติดได้เปรียบเหมือนส ม, มณพราหมางพวกที่กายยังหลีกออกจากกามไม่ได้ใจก็ยังถูกกิเลสทั้งหลายกรุบกรุมอยู่ย่อมไม่อาจบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้ข้อ2คือไม้สดชุ่มร ย, ยานอันเขาตัดไว้บนบกไกลน้าไม่อาจทำให้ไฟติดได้เปรียบเหมือนส ม, มณพร า, างพวก มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังถูกกิเลสทั้งหลายกลุ้มรุมอยู่ย่อมไม่อาจบําเพ็ญเพียรเพื่อการกลัดสรู้ได้ก็เหมือนพวกปัญจพ ก, กีทั้งหลายยังไงล่ะข้อสสุดท้ายคือไม้แห้งผ่าอันเขาวางไว้บนบกใกลน้ำทำให้ไฟติดได้เปรียบเหมือนสมณพราหมณ์บางพวกกายหลีกออกจากกามได้ ละความพอใจและเยื่อใหญ่ในการมีความพยายามในการบาเพ็ญเพียรเพื่อยานทัศนะ์เพื่อการตรัสรูอย่างยอดเยี่ยมส เทพยดาทั้งหลายจงดูสมณครุมสวยข้ามารุปายาของนงสุชาดาแล้วสง่งขึ้นเสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชร า, าเพื่อรอยถาดทุงคำทิ้งไปเพื่อแสดงว่าไม่ทรงยึด ต, ติดในของมีค่าใช่ไหมท่านเท้าหมาบรกข้าว่าคงไม่ใช่นะท่านเท้าสกับน่าจะเป็นการสิ่ักสร์อธิษฐานประการใดสมากกว่าขอาจารย์รจะรู้ ท่านสมมาดาอธิฐานว่าอะไรลองใช้ทิพยพยสโสดของพวกท่านฟังดูสิเทพยาดาทั้งหลายข้าพเจ้าสมนาโคโดมขอเปียยไทายอธิฐานหากแม้นข้าพเจ้าได้ตรัสรู้สัพพยมเป็นพระพุทธเจ้าในราฏีขอถาเท่าธรรมางจงลอยทวนน้ำขึ้นไป หากแมนไม่อาจรู้แจ้งอันใหญ่ก็ให้ถาดจนลอยตามน้ำไปเป็นปกติธรรมข อ, อคำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงส่องด็จผลด้เยมอ แสดงสัจพฤษศรีหเมีีปันธรัตพลเกียรติบรุรโชสนสันศีสริยาพรวรการเจริญดีเพรมกมลโชติกาเสถียนธานิดศรีสินรัตนเกณิศเรืองศีสุพิศราพัฒเจริญพิทยารักสุทธิพั์อ่อนปรางจารุพัฒเสวตรัตโชติกาเสเวตรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทธพงศ์มัฒ น, นาบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดี กำกับการแสดงศจพุทธสีหามีทีอํานวยการผลิต